เราได้พูดมาเกี่ยวกับในเรื่องเวลาจะบรรยายธรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะกราบลาแล้วก็อย่าท่องนาโมใช่ไหมท่องว่านาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโดยความหมายก็คือว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น น, นาโมเนี่ยเขาแปลว่านอบน้อมคําว่านาโมนี่แปลว่านอบน้อม ถ้าถามบ อ, อกว่าแล้วเราจะาหาการที่เราเปล่งคําว่านโมออกมาเนี่ยสภาวะธรรมของโมถ้าตามภาษาคําสอนเขาเรียกว่า อ, องค์ธรรมเนี่ยเราจะเก็บองค์ธรรมของคําว่านโมได้ยังไงทีนี้การนอบน้อมอ่ะต้องทราบว่าเป็นบุญการนอบน้อมจะนอบน้อมด้วยกายก็ได้เขาเรียกกายยวันนา นอบน้อมด้วยวาจาก็คือวจีวันธนานอบน้อมด้วยใจเ้าก็เรียกว่ามโนวันธนานอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจานอบน้อมด้วยใจที่เราบอกว่านโมนี่ก็คือนอบน้อมฉะนั้นถ้าเราท่องนาโมสักแต่ว่าท่อง <c oughs> ถ้าสักแต่ว่าท่องเนี่ยเออบุญไม่เกิดเพราะคําว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ย เป็นการสรุปรวมคุณของพระพุทธเจ้าไว้ในคำนี้เนี่ยสรุปรวมคุณว่าพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณลงในคำว่านะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสมัสมสมาสัมพุทธัสสะทีนี้การนอบน้อมเนี่ยเป็นบุญเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากุศลถ้าบอกว่าอะไรคือกุศลและอะไรเป็นกรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาคือกรรมใช่ไหมฉะนั้นการนอบน้อมถ้าไม่มีเจตนาก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ยท่านยังเรียกว่าปัณามเจตนาปัณณามในที่นั้นก็แปลว่าการนอบน้อมปะนี่คือปอปาแล้วก็นอนเดนสนาม อ, อม้าเนี่ยปัณามศัพท์เนี่ยแปลว่านอบน้อมแต่ถ้าทางโลกโลกที่เราใช้กันนะ่ยปัณณามอย่างอืงอ่นก็แปลว่าขับไล่แต่ปัณามเนี่ย ปนามะเจตนาในที่นี้แปลว่าเจตนาในการที่กล่าวนอบน้อมกุศลจิตตุบาบาที่มีปนามะเจตนาเป็นประธานเนี่ยฉะนั้นณโมเนี่ยถ้าว่าตามสภาวะธรรมแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงกุศลจิตการที่เราจะเปล่งคําว่านโมออกมาได้เนี่ยจิตตอนนั้นต้องเป็นกุศลจิตตอนนั้นต้องเป็นบุญและจิตในขณะนั้นต้องมีปนามะเจตนาคือเจตนาที่จะกล่าว คำนอบน้อมทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นกุศลจิตตุปบาทคําว่าจิตตุปบาทจะแปลว่าการเกิดขึ้นกันของจิตและเจตสิกคือจิตใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่จิตเกิดอย่างเดียวนะยังมีสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบจิตอีกที่มาปรุงแต่งทําให้ความเป็นบุญนั้นนะเกิดมากขึ้นฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าจิตตุปบาททีนี้ก็ย่อมจะทําให้เรารู้ว่าหมายถึงจิตและเจตสิกที่สัมปยุติกับ จิตดวงนั้นนั่นเองทีนี้กุศลจิตตุบาที่มีปนามะเจตนาเป็นประธานนั้นเรียกว่านาโมคําว่านาโมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นเพียงคําพูดว่านาโมเฉยๆตอนนั้นโดยท่าแท้ของนาโมก็คือกุศลจิตตุบาบาทที่มีอะไรที่มีปนามะเจตนาเป็นประธานอันนี้เขาเรียกว่าหาองค์ธรรมของคําว่านาโมเห็นไหมเวลาเรากล่าวนาโมแต่ละครั้งเราจะได้รู้ว่า เออมายังไงทีนี้ประการต่อไปว่าเมื่อเรารู้องค์ธรรมของน้โมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูว่าประทัดฐานคําว่าประทัดฐานของน้โมเนี่ยคําว่าประทัดฐานของน้โมเนี่ ย, ยหมายถึงอะไรประทัดฐานเนี่ยหมายความว่าเหตุใกล้เหตุใกล้ที่จะทําให้กุศลจิตวบาทเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัจจัยแห่งการเปล่งคําว่าน้าโมออกมาได้เนี่ยเนยเออมันมาจากอะไรคืออย่างนี้ เวลาจิตเราเป็นบุญเนี่ยนี่ยปารภคุณของพระพุทธเจ้าอย่างสักครู่เนี่ยที่เราจะกล่าวว่านะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเนี่ยจิตวาจาที่เปล่งออกมาได้นั้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามีวายโยธาตมีธาตุลมที่อยู่ในกระดชกายเนี่ยธาตุลมเนี่ยวิ่งมาที่อวัยวะกล่าวคือที่ปากเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ให้ใหกล่องเสียงเลยนะ ที่จริงว่าจีวินญัติเนี่ ย, ยการที่วิน จ, จีวิญญัตเนี่ยจะจะทำกิจเนี่ยการเปล่งวาจาออกมาเนี่ยเสียงนี้เป็นเสียงที่มีจิตเป็นสมุธฐานทีนี้เสียงเนี่ยมันมีสายเสียงมันมีกล่องเสียงเมื่อมีสายเสียงมีกล่องเสียงเนี่ยนยนะีก็มีลมก็คือกลุ่มมหาภูธรูปคือดินน้ําไฟลมเป็นต้นเนี่ยมากระทบกับสายเสียงและกล่องเสียงกลายเป็นเสียงขึ้นมา แต่ลมที่วิ่งมาเสียดสีทําให้หรือาธาตุลมเป็นต้นน่ยจิตตชาวายโยธา ท, ที่มีดินเป็นต้นเนี่ยธาตุดินธาตุน้ําเป็นต้นที่มากระทบกับสายเสียงและกล่องเสียงทําให้เสียงเปลงออกมาเนามโมนี่เบื้องหลังของลมนั้นก็คือจิตที่คิดทีนี้จิตที่คิดตรงนั้นเป็นบุญเขาเรียกกุศลจิตตุปบบานนี่ถ้าหากสาวหาเหตุของเขาจริงๆนะว่าเสียงที่เปลงออกมาเพราะมีลมลมเพราะมีจิตนะเป็น สายเสียงเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดด้วนนาโมตัสซาเป็นต้นเหล่านี้พราะมีอะไรพ่อมีธาตุลมไอธาตุลมจะเกิดขึ้นมาได้จะวิ่งพัดผันไปที่สายเสียงและกล่องเสียงได้ก็พราะมีกุศลจิตตุบบาทีนี้กุศลจิตจตุบ า, า, าบาทจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องไปดูว่ามีโยนิโสมนัสกะมนสิการเป็นประธานฐานของกุศลเนื่ฉะนั้นตัวกุศลจิตตุบบาทจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสกิการคือการ พิจารณาโดยอุบายอันแยบขายพิจารณาโดยถูกทางถูกวิธีนี่แหละจิตที่เป็นเอกโยนิโสมนัิการนี่เองเป็นปัจจัยให้กุศลจิตตุบบาทเกิดขึ้นถ้าไปดูประทาฐานของโยนิโสมนัิการนี่คืออะไรก็ได้แก่การสดับตรับฟังพระสัตดำพระสัตธรรมเป็นเหตุให้เกิดโยนิโสมนัิการเขาจึงเรียกว่าสัตธรรมมสวันะ ฉะนั้นการฟังพระสัต ธ, ธรรมเป็นเหตุให้เกิดโยนิโสมนัิการนี่ก็ต้องไปดูว่าประทัดฐานของสัต ธ, ธรรมมสวนานั่นคืออะไรก็คือมีสัปปุริสูปนิสยาอาศัยสัตบุรุษเป็นประทัดฐานอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้คือประทัดฐานของสัต ธ, ธรรมมสวนะต้องย้อนไปดูอีกว่าแล้วประทัดฐานของ สัพปริสูปนิสย่าหรือการครบสัตบุรุษหนึ่งมีอะไรเป็นประทัดฐานก็ต้องบอกว่าปฏิรูประเทสวาสศการอยู่ในที่ที่มีพระพุทธศาสนาการอยู่ในถิ่นที่สมควรหรือการอยู่ที่ที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประทัดฐานของการได้พบกัลยาณมิตรทีนี้ปฏิรูประเทศวาศเนี่ยมีอะไรเป็นประทัดฐาน บอกมีปุะเพกะตะปุญญาตาคือบุญเก่าเป็นประทัดฐานแสดงว่าท่านผู้นั้นมีบุญเก่าที่ทำมาดีทีนี้ก็สืบค้นต่อสืบค้นต่อไปว่าทีนี้ประทัดฐานของบุญเก่าเรามีหรือไม่มีอะไรเป็นประทัดฐานของปุะเพกตปุญญาตาก็ต้องสืบค้นเอาประทัดฐานอื่นๆเช่นการสั่งสมบา ร, รมีโพธิสมภาระเนี่ยนะ การสั่งสมบา ร, รมีที่อยู่ในระดับเดียวกันกันกบปเุเพกตปุญญาตาเนี่ยคำว่าปเุเพกตปุญญาตาเนี่ยาแปลตามสาาความเป็นผู้มีบุญเคยสั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อนหรือวิบากบุญเก่า น, นั่นเองทีนี้บา ร, รมีเนี่ยสัมภาระน่ยมาเป็นประทัดฐานของปฏิรูปรเทศะได้ก็ด้วยวิธีลักษณะที่พิจารณาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่า อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่เราจะมาท่องคําว่นนานโมตรรัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเ ส, ม, สมพุทธศาสตร์นี่ยนะก็จะต้องมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับใช่ไหมพระปรมศาสดาสร้างบารมีมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับจนมาตัตโสนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้อันนี้อาศัยเหตุหนึ่งและต่อมาก็คือบุญเก่า บุญเก่าของท่านผู้ที่มานับถือพระองค์ท่านถ้าใครมีบุญก็ได้อยู่ในประเทศที่ดีที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าฉนั้นตัวบุญเก่านี่แหละจะเป็นปัจจัยให้มาอยู่ในประเทศที่สมควรพอเรามาอยู่ในประเทศมาอยู่ในถิ่นที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมาอยู่ในถิ่นที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอันนั้นอาศัยบุญเก่าเป็นปัจจัยพอมาอยู่ในถิ่นที่มีคาสอน บัณฑิตทั้งหลายเขาก็จะวิ่งหาคําสอนของพุทธเจ้าตรงไหนที่มีคําสอนของพุทธเจ้าที่ถูกต้องบัณฑิตทั้งหลายสัตว์บุรุษทั้งหลายเขาก็จะไปอยู่ณที่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็เลยได้ประโยชน์จากการเข้าใกล้สัตว์บัณฑิตฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยหรือกาลยานมิตรเราเข้าไปใกล้ก็เป็นเหตุให้เราได้ฟังพระธรรมเมื่อเราได้ฟังพระธรรมก็เป็นเหตุให้เกิดโยนิโสมนัสการหมายถึงการตั้งอารมณ์ไว้ในใจโดยความ สมเหตุสมผลก็ได้โยนนี้ก็แปลว่าเหตุผลก็ได้เนะื้การคิดถึงเหตุคิดถึงผลการคิดด้วยปัญญาด้วยหลักการเหตุและผลก็ได้ฉะนั้นโยนิสโอมนัสการนี้เป็นประทัด ฐ, ฐานของกุศลเมื่อมีโยนิสโอมนัสการมากๆก็จะทําให้กุศลจิตตุบาทเกิดขึ้นนี่เมื่อกุศ ล, ลจิตตุบาทเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยประการต่อไปก็คือว่ามีปนามาเจตนาคือเจตนาในการที่จะกล่าว นอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นการนอบน้อมเนี่ยทีนี้เจตนาประการต่อมาก็คือว่าปรารถนาไงเช่นเจตนาที่เรากล่าวคำนอบน้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคอันตรายเช่นถ้าเราจะศึกษาคำสอนจะประพฤติปฏิบัติจะทํากิจใดๆเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเป็นการบุญกันกุศลเป็นต้นเหล่านี้เราก็กล่าวคานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เจตนาหรือปนามะเจตนาที่เราก่าวนอบน้อมก็เพื่ออะไรเพื่อความคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายต่างๆเป็นต้นเหล่านี้นี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเจตนาในลักษณะอย่างนี้แล้วต้องบอกว่า เ, าเจตนาในการกล่าวเป็นกรรมไหมเป็นกรรมถ้าออกมาทางวาจาเป็นวจีกรรมถ้าออกมาทางกายด้วยเป็นกายกรรมคิดทางใจด้วยเป็นมนโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ มโนกรรมอย่างนี้ในขณะที่เรากล่าวนั้นเป็นกุศลกรรมอยู่เมืม่อเป็นกุศลกรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเป็นทั้งอุปชาเวทนิยกรรมเป็นทั้งอปาราบราเวทนียกรรมถ้าเป็นอทิฏฐธรรมเวทนียกรรมก็หมายความว่าเจตนาในการกล่าวนอบน้อมคุณของพระรัตนตรัยหรือกล่าวนอบน้อมนะโมตัสสะเป็นต้นเหล่านี้นะในขณะที่เรากล่าวนั้นะป้องกันพ ย, ยันอันตรายในปัจจุบันภพนี้ได้ อันนี้ก็เป็นกรรมที่ทําในปัจจุบันภพและก็ให้ผลในปัจจุบันภพนี้และได้อา น, นิสงส์แห่งการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แหละกรรมอันนี้ยังตามส่งผลในภพถัดไปด้วยและเจตนาที่เหลือคือเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6ยังตามส่งผลในภพที่สาเป็นต้นจนกว่าจะปรินิพานด้วยฉะนั้นการกล่าวนอบน้อมนโมตัส่าเนี่ยกล่าวทั้งวันก็กล่าวไปถึงแต่ต้องรู้ด้วยนะต้องรู้สาระของการกล่าวด้วยนะี่ย แต่ถ้ากล่าวแบบไม่รู้สาระไม่รู้ความหมายก็ก็ไม่ได้ไประโยชน์คือไม่รู้ว่าเออที่เรากล่าวเนี่ยกล่าวเพื่ออะไรอย่างไรนึ่ฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาการกล่าวคําสอนในลักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจคําสอนไ ด, ได้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการศึกษาคําสอนเนี่ยครั้งที่แล้วได้พูดถึง นิยตามิชาทิฏฐิสอย่างมีนิยตามิชาทิฏฐิประเภทที่ปฏิเสธผลคําว่านิยตามิชาทิฏฐิปฏิเสธผลก็คือการปฏิเสธการกระทําไม่มีผลหมายความว่าปฏิเสธว่ากรรมชั่วก็ไม่มีผลกรรมดีก็ไม่มีผลอันนี้ประเภทหนึ่งการปฏิเสธผลเนี่ยแปลว่าเออผลที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นกา ร, การปฏิเสธผลอย่างนี้บอกว่าไม่มีจริงหรอก ผลของกรรมชั่วผลของกรรมดีเนี่ยไม่มีจริงเราจะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมหรือจักงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการรักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมก็ไม่มีผลนีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธผลอันนี้เขาเรียกอะไรตามาภาษาศัพท์เขาเรียกนัตถิกาทิฐิประการที่สองคืออเหตสุการทิฐิเห็นไหมมีคําว่าอหินี้แปลว่าปฏิเสธเหตุกาก็คือเหตุ อเหตุกาเนี่ยก็คือไม่มีเหตุทิฏฐิก็คือความเห็นทิฏฐิหรือความเห็นที่ปฏิเสธเหตุคําว่าปฏิเสธเหตุเนี่ย<ม>ก็คือปฏิเสธผลต่างๆที่ได้รับอยู่ว่าไม่ได้มาจากเหตุกลุ่มนี้เนี่ยปฏิเสธผลได้ไม่ใช่คือกรรมการกระทําบุญการกระทําบาปที่ตนเคยทําไว้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธว่าผลต่างๆไม่ได้รับมาจากเหตุ ว่าเออที่เราได้รับผลอย่างเนี้ยไม่ได้มีเหตุมาจากในอดีตหรอกเช่นเราได้รับผลดีทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะได้รับผลไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในสิ่งที่ดีและไม่ดีนี่ปฏิเสธเหตุในอดีตยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาเหตยุกขทิฐิคือกลุ่มปฏิเสธเหตุประการที่สอกคคียทิฐิคําว่าอากคคียทิฐินี่เขา จ ร, จริงๆแปลว่าปฏิเสธการกระทำแต่ในความหมายของอัดก็คือปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลกลุ่มนี้โอ้โหปฏิเสธสองอย่างเลยก็หมายความว่าไม่เชื่อว่าการกระทำต่างๆนั้นเป็นบุญเป็นบาปการกระทำต่างๆนั้นเป็นไปตามปกติธรรมดาเท่านั้นหาใช่บุญหาใช่บาปไหมกลุ่มนี้เป็นการปฏิเสธหมดเลยเออจะทาบาปก็ไม่เรียกว่าบาป จะฆ่าสัตว์ก็ได้จะลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในการมก็ได้ก็ไม่เรียกว่าบาปจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมก็ได้ก็ไม่เรียกว่าบุญนิปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลนะทีนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยทั้งสประการนี้ที่เรียกว่าเนื้ตามมิจฉาทิฏฐิคือเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เที่ยงต่อการให้ผลกล่าวคือเมื่อตายไปแล้วเนื้ตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้ผลไปเกิดในนรกทันที กรรมประเภทนี้กรรมอื่นไม่สามารถที่จะมาแทรกแซงให้ผลก่อนไดออ้ลักษณะอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าในบรรดาโทษที่ร้ายแรงนี่นท่านบอกว่าอะไรมีโทษที่ร้ายแรงที่สุดในพระศาสนาก็บอกว่ามิจฉาทิฏฐิที่เป็นประเภทเนี่ยตามิจฉาทิฏฐิสประการนี่แหละเป็นเป็นประมะประมะก็คือว่าเป็นโทษที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ไม่มีความรุนแรงอะไรที่จะหนักเท่ากับมิจฉาทิฐิเป็นกิเลสวรในกลุ่มของนันตรียกรรม5อย่างซึ่งเป็นกรร ม, มาวารต่างๆมิจฉั ต, ตะนิยตาธรรมมาทั้งสิ้นก็หมายความว่าทาที่ให้ผลแน่นอนในลำดับคือเป็นธรรมฝ่ายชั่วด้วยทั้งให้ผลไปเกิดในนรกแน่นอนในชาติต่อไปทันทีด้วยคือถ้าใครมีวิบา ก, กรรมประเภทนี้นะ วิบากกรรมประเภทที่เป็นนิยตามิจฉาทิฐินี่เนะี่ยทยังไงอย่าอย่าห ย, ยุดหายใจถ้าหยุดหายใจปุ๊บมันจะไม่มีลําดับขั้นเลยก็คือว่าต่อจากกรารตายก็คือลงนรกทันทีไอ้ตรงนี้ก็ต้องรักษาชีวิตไว้ให้ยาวนานแต่กลุ่มพวกนี้เนะี่ยคือคือมันก็ยังพออยู่ก็พอสะดวกสบายได้ก็ในปัจจุบันนะบแต่อย่าตายนะถ้าตายก็ ก็เรียบร้อยเพราะไม่สามารถที่จะมีอะไรมามาขันได้กรรมนี้หนักมากอันนั้นเขาเรียกเครื่องกั้นคือกิเลสกิเลสสาวรเครื่องกั้นคือกิเลสส่วนกรรมมาวรนเะ่ยเครื่องกั้นคือกรรมเนี่ยนะอันนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟังทำแล้วไม่ได้บรรลุเลยเนียเนี่ยถ้ามีกิเลสประเภทนี้ยฟังยังไงก็เคาะไอ้ขจัดความรู้สึกออกไม่ได้พอฟังฟังก็ มันกลับอย่างเดิมอ่ะพอฟังเบสเสร็จแล้วก็ถือทิฏฐิตนเองนั่นแหละถือมิจฉาทิฏฐิของตนเองแล้วก็แบกมิจฉาทิฏฐิของตนเองเที่ยวชูธงทิมิจฉาทิฏฐิของตนเองตามภูมิภาคน้อยใหญ่ไปถ้าเราสังเกตให้ดีถ้าเราเห็นคนประเภทนี้เนะี่ย่าคนประเภทนี้เป็นคนหน้ากรุนนะถ้าพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ก็ช่วยไม่ได้คือกลุ่มที่ไม่เชื่อใครแล้ว เขาจะเชื่อกลุ่มพวกของเขาเองและที่มีเห็นของเขาเองแล้วเขาก็จะแบ่งธงก็เรียกถือธงคือที่ถีก็วิ่งไปวิ่งไปส่วนกรรมมาวรคือการ ก, กระทํากําหนักกําหนักในที่นี้ก็คืออนันตรียกรรมก็มีห้าอย่างนะข้ามารดาข่าบิดาข่าพระอรหันทําโรหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นแล้วก็ทําสังฆเภศทําสงฆ์ให้แตกจากกาันอันนั้นเรียกว่ากรรมมาวรนเครื่องกั้นคือกรรม ภระการสุดท้ายเขาเรียกวิปากาวรเครื่องกั้นคือวิบากวิบากในที่นี้ได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณนะคำว่าปฏิสนธิวิญญาณนั้นได้แก่ปฏิสนธิจิตถ้าผู้ใดเกิดมาด้วยปฏิสนธิวิญญาณที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือไม่ใช่ติเหตุกาบุคคลเออคำว่าติเหตุกาบุคคลก็แปลว่าคนที่มีเหตุสาม มีอโลภาเหตุความไม่โลภเนี่ยนะอโทสาเหตุอันนี้ความไม่โกรธแล้วก็อโมหาเหตุอันนี้หมายถึงปัญญาถ้ามีความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็มีปัญญามาพร้อมในขณะเกิดคือขณะปฏิสนธิอย่างนี้เขาเรียกว่าติเหตุกาบุคคลคนที่เกิดมาพร้อมด้วยกับเหตุสามทีนี้คนที่เกิดมาพร้อมด้วยกับเหตุสามเนี่ยเขาเรียก อีกในยะหนึ่งเขาเรียกว่าสัจชาติกปัญญาคนที่เกิดมาพร้อมกับปัญญาเออถ้าไปดูในคาถาของวิสุทธิมรรคคาถาแรกน่ที่บอกสีเลปฏิฐานานโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตะเยชชตันเตินรชนผู้ตั้งมั่นแล้วในศีเออนรชนผู้มีปัญญาคำว่านรชนผู้มีปัญญาในที่นั้นหมายวาว่ามี ปฏิสนธิปัญญามีติเหตุกะปฏิสนธินะั่นเองคือถ้าใครเกิดมาที่มีเหตุสามนรชนผู้ตั้งมัผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลคือถ้าหากมีปัญญามาจะเกิดต่อมาก็มาตั้งมั่นในศีลสีส่อย่างนี่นะตั้งมั่นในปาติโมกข์สังวรศีลอินทร์สังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลและปัจจะยสันนิสิตศีลนี่นะถ้าตั้งมั่นอยู่ในศีลสอย่างอบรมจิตและปัญญา อบรมจิตในที่นั้นเป็นชื่อของสมาธิปัญญาในที่นั้นเป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญานี่นะถ้าใครเกิดมามีปัญญามาพร้อมกับการเกิดแล้วต่อมามาตั้งมั่นในศีลอบรมจิตจิตในที่นั้นเป็นชื่อของสมาบัติ8นะทําปฐมปัาาญาาญาทุติยะฌานตติยะฌานจตุสฌานทรมรูปฌานที่หนึ่งสองสามสี่ทสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นได้อบรมจิต และเจริญวิปัสสนาปัญญานี่ยนะบุคคลเหล่านั้นจะพึงถางลกชัดไอ้ลกชัดในที่นั้นเป็นชื่อของตันหาตันหาเนี่ยท่านอุปมาเหมือนลกชัดไอ้ลกชัดนี่เป็นชื่อของขนแขนงไม้ไผ่ขนแขนงไม้ไผ่หรือว่าหนามไผ่ที่มันประสานกันไว้แน่นๆ น, น, น, นอุ้ยถางยากเอาออกยากเวลาเกี่ยวอะไรไว้แล้วแหมดึงออกยากมาก ตั้หาก็เหมือนกันเวลามันฉาบอะไรติดเข้าไว้ถ้าหลุดยากใช่ไหมามันจะไปมันอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ที่เดิมที่เคยไปนั่นเลยถ้าไปนั่งที่ตรงนั้นแล้วมันเย็นใจอยู่เลยเนี่ยนมันถูกแข น, แนงไอ้ตกโรคชัดเนี่ยเกี่ยวเข้าไว้วังนี้โอดีวันแม่นินทา ย, ยมแม่นิดมเมื่อยาวยังโทรไปบอกบอกจะทําทงานมาก แกบอกแม่ยอกก็ว่างั้นไปทํางานแล้วไปเท้าแขนแล้วก็ยอกแต่ชอบทํางานเจอบไปทํางานคือคือลกูลกๆก็ไม่ไม่อยากให้ทํางานแกก็จะไปทําให้ไอความรู้สึกว่ากลัวกลัวว่าจะหมดความสําคัญเนี่ย ม, มันมันมันมันมีในคนเราเนี่ยนถ้าอยู่เฉยๆแล้วก็กลัวกลัวก็ก็กกกกไม่สบายใจแต่ถ้าไปทําในลักษณะอย่างนี้ก็อื ถ้ายิ่งได้ไปมีไปบ่นคนนั้นดีไปบ่นคนนี้แกเนี่ยมีความสุข <c oughs> เป็นความสุขของของท่านนะพ่อแม่เนี่ยถ้าได้บ่นลูกบน่นหลานบน่นันพวกเราเป็นไหมถ้าได้บ่นคนนั้นบนน่นคนนี้แล้วสุขใจกลับไปแล้วยิ้มเป็นบ้างไหมไม่กเป็นมีไหมนึกเงยเก่งขึ้นมาโทรไปบ่นลูกมีเคยเคยบ้างนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ว่าคือคือถ้าได้ไปทําแล้วแกแก ทีนี้มันติดเนะี่ยอย่างเช่นว่านาเนี่ยนะไรนะ่สวนเนี่ยที่แกเคยไปถากไปถางนี่นะถ้าให้แกอยู่บ้านเนี่ยแกไม่สบายใจหรอกทีนี้ถ้าไปนั่งอยู่ในล่มต้นไม้หรือได้ถากได้เก็บได้กวาดได้อะไรเงี้ยแกชื่นใจแกที่จริงมันเป็นตันหาแกก็ไม่รู้เนี่มันลกชัดไงคือว่ามันมันเกี่ยวไว้มันดึงออกจากที่ตรงนั้นไม่ได้คือถ้าถ้าอยู่ที่บ้านมังนงุดหงิ ด, ดใช่ไหมแต่ถ้าไปตรงนั้นมันสบายใจ คือที่มันคุ้นเคยมองไปตรงนั้นมันก็ของเรามองมาตรงนี้มันอะไรเงี้ย ม, มันชื่นใจได้ได้ถากได้ถางได้ทาทให้โล่งให้เตียนเนี่ยตั้งตั้งเดี๋ยวมันก็ลอกใหม่แล้วก็ไปทําอยู่ น, นั่นแหละเนี่ยเนี่ยเราก็ชื่นใจก็นี่แหละคือคื อ, ค, อคือสภาพตันหาที่มันมันเกาะเกี่ยวเขาไว้มันดึงเขาไว้ก็ทำให้เราวนวนวนวนไปไหนก็ไม่ได้แล้วเป็นห่วงอแล้วในขณะที่เรามองแล้วขนาด ไอ้ตอนมากลับมาตอนเย็นก็ฟังทำทุกวันแหละยศพ่อยศแม่เนี่ยกลับมาก็เปิดธรรมมาฟังถ้าเราไปให้สามสิบสี่สิบม้วนเนี่ยแกก็ฟังฟังตลอดนั่นแหละแกบอกจําได้บ้างไม่ได้บ้างกก็ฟังแกไปแกบอกดียังไงก็ยังฟังแต่ว่าพอพอฟังเสร็จแต่แกบอกมันก็เครียดด้วยก็ว่างั้นวังตรรมาแล้วเครียดก็ไปหาในถ่านหญ้าเข้าสวนเลยแล้วก็กลับมาฟังมา ที่ไหนได้ตั้หาตั้หาพาพาไปนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในในคำสอนที้ ว, ว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นในศีลอบรมจิตและเจริญปัญญาพึงถางลกชัดไฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าไม่ถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่ตั้งอยู่บนศีล น, นะถ้าไม่ตั้งมั่นในศีลสีประการมีปาติโมกสงวนศีลถ้าไม่อบรมจิตถ้าไม่เจริญวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นนะถังไม่ได้ ทางโลกชัดคือทางตันหานี้ไม่ได้เพราะสภาพแห่งตันหาคือความยินดีคือความเพลิดเพลินเป็นต้นเหล่านี้นะต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยวิปัสสนาปัญญาและวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยศีลเนื้อนะฉะนั้นศีลสมาธิและปัญญาเหล่านั้นนั่นแหละเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งได้แล้วจึงจะทากิจในการ ประหารรกชัดคือประหารกิเลสได้มันชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกเลยนะชัดทั้งในบริขารของตอนเองรกชัดทั้งในบริขารของบุคคลอื่นแล้วเป็นอย่างนั้นอย่รกชัดทั้งในอายตนะภายในทั้งในอายตนะภายนอกคือมันเพลิดเพลินมันติดข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ยังไปยินดีไปติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วทำมาลมอี และยังติดข้องในอัตภาพของตนเองด้วยนะและยังไปติดข้องในอัตภาพของบุคคลอื่นด้วยนะแล้วบริขารของตนเองที่เกี่ยวข้องนะงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทางเลยนะทั้งของตนเองทั้งของบุคคลอื่นโลกชัดหมดเลยติดข้องหมดแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเนะี่ยยอมเขาเขาบอกว่าเขาจะเขาแบ่งที่ให้อุยเขบอกว่าแบ่งที่ให้ฉันดีใจแทบตายตอนนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็เอาอนโฉนดมาดูเนะี่ย มันนึกเดือนนีไ้ไม่เอาแล้วไม่อเอาแล้วกว่าจะถึงเราในตายไม่รู้ทอะไรไม่รู้กี่คนถ้าไปสืบคนหลายชื่อเก่าๆโอ้ตายเพียบหมดไม่ไหวบอก ใ, ใครจะเอาไปทำอะไรรีบเอามไม่ไหวเลยนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้นทีนี้ประการต่อมาเนี่ยนะเรื่องนี้เคยไ อ, อวิปากาวรเขาบอกว่าบุคคลที่ปฏิสนธิที่ประกอบด้วยปัญญา เท่านั้นถึงจะมีโอกาสเห่งการบรรลุได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตีเหตุุกตะบุคคลเนี่ยนะจัดว่าวิบากเป็นเครื่องกั้นเหงการบรรลุมากผลเพราะฉะนั้นนะ่ผู้ที่จะบรรลุมากผลได้นะนะั้นเนี่ยนอกจากอาศัยเหตุฝ่ายดี5อย่างก็ยังต้องประกอบไปด้วยเครื่องกั้นด้วยที่ประการลักษณะที่ว่าเครื่องกั้นตรงนี้หลายหลายคนเนี่ยนะฟังทำแล้วไม่ได้บรรลุ ฟังธรรมที่ไม่ได้บรรลุคือพวกทวีเหตุกาบุคคลเนี่ยพวกที่มีเหตุเห ต, เหตุสองมีความไม่โลภมีความไม่โกรธจริงแต่ว่าขาดปัญญาถ้ากลุ่มเหตุการแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเ น, ยนี่นี่ลักษณะอย่างนี้ที่นี้คุยานีเนียสูตรเนี่ยข้อที่195มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูุ ตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้เวสาลีออคำว่าเวสาลีเนี่ยอันนี้เป็นเมืองนะเมืองเวสาลีเนี่ยเวสาลีสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณ500องค์500องค์นี่คือกลุ่มกลุ่ ม, ก ล, มกลุ่มพระราชาหมากระสัดเนี่ยเขาเรียกว่าตระกูลของพระราชาเนี่ย ทรงอาภร์และเครื่องประดับงดงามต่างๆกันก็ออมีชื่อหลายอย่างนะ เ, ออเจ้าฤทธิชวีในเวลาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่จะแต่งตัวงามมากแต่งตัวงามจนถึงขนาดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาตรัส บ, บอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอต้องการอยากจะทราบไหมว่าเทวดานั้นเขามีลักษณะอย่างไ อ, อพระก็อยากจะรู้ใช่ไหมองค์ที่ท่านไม่ไม่มีหูทิฏฐาที่เป็นต้น พระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องการอยากจะรู้ว่าเทวดาก็แต่งตัวยังไงก็ดูกลุ่มเจ้าฤาษีก็แต่งตัวก็แสดงว่าประดับประดาแต่งตัวงดงามมากแต่ก็ไม่ได้บอกเขาไว้นะว่าแต่งตัวงามยังไงในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่งไงเทวดามีลักษณะอย่างไรแต่ที่เขาจินตนาการที่เขาวาดภาพ ม, มันก็อย่า ง, างนังนเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอจริงก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบ ร, รมศาสดาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระผู้มีพระเจ้า ทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าฤาษีเหล่านั้นก็คือขนาดแต่งตัวว่าอย่างดีว่ารุ่งเรืองด้วยนะ <c oughs> แต่เวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดูตัวเองด้อยไปเลยเนี่ยทั้งวันนะทั้งพยศในเวลานั้นปิงคียานิยพรมปิงคียานิพ ร, ม, พรมเนี่ยเข้าไปเฝ้าอยู่ก่อนแล้วเห็นดังนั้นก็ได้ลุกขึ้นประนมอัญเชลีไปทางพระพุทธเจ้ากราบทูลขอประทานอนุญาตที่จะกล่าวคําใดคำหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานอนุญาตแล้วจึงกราบทูลว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสอังคีรสนี่เป็นชื่อของใครชื่อของพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่เหนือดอกบัวชื่อว่าโกกนุษมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ในเวลาเช้าและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นครั้งนั้นน่ยนะเจ้าฤชวีเหล่านั้ น, นได้ยินพรามกล่าวอย่างนั้นแล้วก็ประทานผ้าห่ม ห้า้อยผืนแก่ปิงคียานีพราหม์ทีนี้ปิงคียานีพราหม์เมื่อได้ผ้าห้าร้อยผืนแล้วเนี่ยก็นำผ้าห้าร้อยผืนนั้นน่ยถวายแก่พระพุทธเจ้าพระผู้มีพร ะ, พระภาคเจ้าจะตรัสแก่เจ้าฤาวีเหล่านั้นถึงความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะคือแก้วห้าอย่างว่าหาในยากในโลกรัตนนาห้าอย่างคืออะไรคือหนึ่งผ้ารหันธสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้เป็นรัตนนาประการที่หนึ่งแล้วนะสผู้แสดงทำวินัยที่พรัตถาคตประกาศแล้วนั่นอันนี้หมายถึงผู้ที่แสดงทำวินัยของผู้ที่ประกาศแล้วประการที่สผู้รู้แจ้งทำวินัยที่พรัตถาคตประกาศแล้วที่ผู้อื่นยกขึ้นแสดงแล้วประการที่สผู้รู้แจ้งทำวินัยที่พรัตถาคตประกาศแล้วที่ผู้อื่นยกขึ้นแสดงแล้ว และก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมนเนี่ยนประการที่ห้ากตัญยูกะตะเวทีบุคคลเออนี่5ห้าห้าบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคือแก้วห้าอย่างหาในยากในโลกนี้เนยเอาว่าในชมพูทวีบเนี่ยในโลกเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนที่รวบรวมกันมาเนี่ยสิ่งที่หายากที่สุดมีอยู่ห้าอย่าง ก็คือพระอรหันต์ธรมมาธรรมพุทธเจ้าถ้าพิจารณาดูว่าพระอรหันตธรรมมาธรรมพุทธเจ้านี่ยากไหมกว่าจะกว่าจะมีอุบัติขึ้นแต่ละองค์โอ้โหถ้าเรามองถึงเจตนาถึงความตั้งใจในการปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนยีเอางี้เนี่ยเขาบอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยก่อนที่ขั้นจะตัทธรุณุตรสัมมาสัมโพธิญาล้วนแต่ได้ตั้งความปรารถนามันเนิ่นนานเริ่มตั้งความปรารถนาด้วยใจนี่นะ โดยใจนี่เท่าไรรูร้ไหมเจ็ดอสงไขกับคำว่าอสงไขกเนี่ยเาแปลว่านับไม่ได้อันนี้เจ็ดอสงไขอันนี้คิดในใจอย่างเดียวนะเจ็ดอสงไขแล้วปรารถนาด้วยวาจาคือพูดพูดออกมานี่เท่าไร่ก้าอสงไขกับทีนี้ปรารถนาด้วยกายและด้วยวาจารวมกันเป็นสี่อสงไขแสนกับ ฉะนั้นในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นแบ่งเป็นสองยมพวกเป็นอนิยตะโพธิสัตว์กับนิยตะโพธิสัตว์ถ้าอนิยตะโพธิสัตว์เขาแปลว่าพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รับพุทธบุตรกรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าจะได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่อันนี้เรียกว่าอนิยตะคือยังไม่แน่นอน ส่วนเนืยตาโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธบยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทีนี้ในบรรดานืยตาโพธิสัตว์มันมีอยู่3ประเภทนะประเภทปัญญาทิกาโพธิสัตว์ถ้าปัญญาทิกาโพธิสัตว์มีสร้างบารมีมาเสียสงข่ายอีกแสนกับอันนี้ยิ่งด้วยปัญญาประเภทที่สองคือศรัทธาธิกาโพธิสัตว์อันนี้ยิ่งด้วยศรัทธา พระโพธิสัตว์ประเภทนี้บำเพ็ญบา ร, รมีมาเจ็ดดอสงไขยอีกแสนกับอันนี้ยิ่งด้วยศรัทธาพระโพธิสัตว์ประการที่สามก็เรียกวิริยาธิกะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ประเภทนี้คือ ย, ยิ่งด้วยวิริยะยิ่งด้วยความเพียรเนี่ยสร้างบา ร, รมี16อสงไขยกับอีกแสนกับนั้นแต่ละอย่างจะมีคําว่าต่อได้แสนกับใช่ไหมโอ้ขนาดแสนกับนี่พวกเรากินลูกทอกันไม่รู้กี่รูปเอาแค่แสนกับนี่นะ ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายบำเพ็ญบา ร, รมีมาเสียสงขยกับแสนกับจึงได้ตัสะรูอนุตตรสัมมาสัมพธิทยาณเป็นปัญญาที่กาศสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เพราะกำลังปัญญินีกำแรงอย่างมากนะนะพระองค์ปรารถนาเป็นพุทธเจ้านับได้20อสงไขยอีกแสนกับนะคือว่าปรารถนาด้วยใจเจ็ใช่เจดสงไขปรารถนาด้วยวาจา เอสงไข่ปรารถนาด้วยกายและด้วยวาจาอีกสอสงไขยแสนกับพระโพธิสัตว์นั้นมีจิตตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นับชาติไม่ถ้วนเวลาท่านตั้งไว้ในใจท่านคิดยังไงรู้ไหมท่านคิดว่าเราตัดจรู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยอันนี้คือความตั้งใจของพระโพธิสัตว์สามอย่างนะแต่จะรู้แล้วจะให้ผู้อื่นแต่จะรู้ตามด้วยถ้าพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะทําให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยท่านคิดในใจของท่านอย่างนี้ไม่ได้คิดเพื่อตนเองเลยนะเนี่ยนี่อันนี้เขาเรียกว่าด้วยใจทีนี้ครั้งแรกของพระโพธิสัตว์ในภพชาติที่เกิดเป็นคนยากจนน ท่านสละชีวิตแบกมารดาของตนว่ายข้ามมหาสมุทรขณะที่เรือสําเภาอับปางอั น, นเรียกว่าปรมจิตตุปรบาดการตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็เลี้ยงดูมารดาจนตลอดชีวิตอายุไ ข, ขัยคันสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกที่นี้ในชาติอื่นพระโพธิสัตว์จุตติจากเทวโลกก็บังเกิดเป็นพระราชาอันนามว่าสัตตุปาปณะนะนะครั้งนั้นก็เสด็จเรียบพระนคร ก็ออมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่ท่านเป็นศัตรูปาปณะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะก็ประทับนั่งบนคอช้างเรียบพระนครเอาเข้าไปดูในไหนดูพระราชอุทยานอาไปดูทำไมที่ไปดูพระราชอุทยานเพราะว่ามีช้างเข้ามาเข้ามากินของในราชอุทยานพอเข้ามาในนั้นนะทีนี้ขณะกาลังตรวจราชอุทยานอยู่นั้นช้างพระที่นั่งนะ ได้กลิ่นช้างพลั ง, hey. well, ง алог. ขงึ้นเลยคําไม่ได้กลิ่นช้างพลังก็คือได้กลิ่นช้างตัวเมียเนี่ยนพอได้กลิ่นก็เกิดอารวาสเมามันด้วยกามราคะน <c masc ots> ี่มาบะช้างมันตกมันเนี่ยมันสลัดควานช้างที่คอยบังคับช้างตกวิ่งเลยในนี้เหลือแต่พระโพธิส ja <pressing> ัตว์ที่เป็นเวลาชานั่งอยู่บนหลังช้างนั่งช้างก็วิ่งไปเอาตะขอสับไงก็ไม่อยอะนะเอาตะขอคมๆอ่ะ สับอย่างแรงๆเนี่ยปักเลือดไหลไงช้างเวลาตกมันเนี่ยที่มันตกมันเพราะว่ามันได้กลิ่นได้กลิ่นช้างพังได้กลิ่นช้างตัวเมียก็วิ่งมันจะเข้าไปหาช้างตัวเมียวิ่งหาเพราะช้างตัวเมียไปปล่อยกลิ่นเขาไว้ถ่ายมูลถ่ายปัสสาวะเขาไว้มีกลิ่นอยู่มันก็วิ่งอย่างทีนี้ประทับนั่งบนบนช้างแม้กระทั่งจาก ใช้พระขอสับยังไงก็ไม่สามารถที่จะหันหลังกลับได้พระราชาเห็นอย่างนั้นก็วิ่งวิ่งช้า ง, ง, งวิ่งไปเนี่ยผ่านต้นมาเดือใช่ไหมพระ อ, องค์ก็เหนี่ยวกิ่งมาเดือโหนกิ่งมาเดือแล้วก็โยบนต้นมาเดือช้างก็วิ่งเข้าป่าทีนี้รอราชบริลีผานหนูตามกันมาใหง่พอตามมาทันก็รับกลับทีนี้พระ อ, องค์ก็ก็กลับสูพ่พระนครต่อมาช้างพระที่นั่งเนี่ยช้างพระที่นั่งนั้นก็ ไปลื่นลมกับนางช้างป่าแล้วก็พอสําเร็จกิจเรียบร้อยเบ็เสร็จพอช้างหายอาการตกมันแล้วก็กลับมาที่เดิมพระราชาทราบก็ถามควานช้างถึงเหตุที่เกิดขึ้นควานช้างก็กราบทูลบอกว่าราคะเน่าล้ายแรงเลย้ายแรงกว่าพระแสงขอแล้วก็ร้อนแรงยิ่งกว่าไฟมีพิษร้ายยิ่งกว่างูอว่าเงี้ยพระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นสลดเลยบอกโอ้โห ราคะเนี่ขนาดนี้เชื่อเลือกเงี้ยแค่ฟังแค่เนี้ยไม่อยู่แล้วเปล่งวาจาออกมาทันทีเลยบอกว่าโอ้โหบอกว่าอย่าเราจะขอเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มตนให้พ้นจากราคะคิดแค่ตรงเนี้นะบอกโอ้โหไม่เอาแล้วราคะเนี่ ร, าร้ายแรงมากเลยประกาศเปล่งวาจารครั้งแรกเลยบอกว่าก็เลยพูดบอกว่าเราตัดสรู้แล้วจกให้บุคคลอื่นรู้ด้วยเราพ้นกิเลสแล้วจะให้บุคคลอื่นพ้นด้วย เราข้ามโลกได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามโลกได้ด้วยมหาสมุทรคือวัฏฏะสงสารนี่มีภัยมากมกหัการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีภัยมากๆเลยว่าเงั้ยเนเพอคิดอย่างนี้เบ็เสร็จแล้วก็เข้าป่าหิมพานต์เล ย, เ น, ยนี่คือการตั้งเบวจาเปล่งวาจาครั้งแรกไหมบวชเป็นฤาษีเลยนี่คือพระโพธิสัตว์ที่ท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านคิดกันเออถ้ามองมองลักษณะนี้เราจะเห็นโทษของราคะเนี่ย แต่ยังเราก็เคยเห็นกันเยอะแยะยังไม่ช้างตกมันไม่เห็นคิดเลยเลยเออมันตกมันว่างั้นเคยสลดใจไปว่าโอ้เวลาค่าในร้ายกันมากเคยคิดสลดใจว่าโอ้โหอยากจะทิ้งสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยคิดไม่ออกอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองดูปณิธานของพระโพธิสัตว์เนี่ยยิ่งใหญ่มากฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาถึงบอกว่าพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นรัตนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งเป็นรัตนาที่หายากเพราะกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลองคิดดูอันนี้เพียงเราแบบย่อๆถ้าเราจะเอาพุทธคุณคุณของพุทธเจ้ามากล่าวกันเนี่ยสงสัยจะตายอีกหลายร้อยชาติก็ยังไม่หมดดีไม่หมดดีกมีเป็นอย่างนี้ประการที่สองผู้แสดงทำวินัยที่พระธรรมคตประกาศแล้ว ทีนี้ลองคิดดูว่ากว่าที่เราจะได้อนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้คนที่จะมาเอาธรรมะของพระเจ้ามาแสดงมาประกาศแบบนี้ได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยสืบเนื่องจากการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่จะหยิบยกเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาประกาศมากล่าวก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านถึงบอกว่าก็หาได้ยากอย่างเหมือนกันแต่ต้องเป็นการ ที่หาได้ยากนี่นต้องดูให้ดีด้วยนะว่าการประกาศนั้นเป็นการประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงไหมถ้าเป็นการประกาศที่เป็นความคิดเห็นของตนเองอันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้นี่คือประการที่สองประการที่สก็คือว่าผู้รู้แจ้งทำวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วที่ผู้อื่นยกขึ้นแสดงถ้ามองอย่างนี้ก็คือคนที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ที่พระพุทธเจ้าประกาศหรือบุคคลอื่นประกาศที่ผู้อื่นยกขึ้นแสดงเนี่ยอันนี้ก็หาได้ยากประการที่สี่ผู้รู้แจ้งทมวินัยที่พระถาคตประกาศแล้วที่ผู้อื่นยกขึ้นแสดงและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมเนี่ยนะและประการที่5ก็คือกตันยูกตตาเวที ความเป็นผู้ไอคําว่ากตันยูเนั้นศับหนึ่งกระต่าเวทีอีกศับหนึ่งหายากหายากคืออย่างนี้คนที่จะเป็นประเภทกตันยูคือว่ารู้คุณรู้คุณนคนแล้วก็ตอบแทนเนเขามองอย่างงี้นะว่าถ้าเรามีพ่อแม่เรามีปู่ย่าตายายเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเออท่านเหล่านั้นมีคุณใช่ไหมเรารู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณอย่างนี้หายาก ประการต่อมาก็คือว่าในมงคลเขาบอกว่าตอบแทนบุญกุศลด้วยนีเช่นว่าเราได้อาจารภาพเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะเพราะกุศลกรรมมีทานนกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลในอดีตเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราทํากิจการงานอะไรต่างๆบุญเก่าเหล่านั้นก็ตามให้วิบากส่งผลตลอดเวลาเออเราระลึกถึงบุญเก่าบ้างไหม ถ้าระลึกเขาบอกตอบแทนบุญเก่าด้วยการทําบุญใหม่ด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่ากตันเยลบุญตนเองนั่นแหละไอ้ข้อ น, นี้คนไม่ค่อยคิดนะข้อ น, นี้คนไม่ค่อยคิดกันนะไม่ค่อยตอบแทนบุญของตนเอง ท, งทั้งๆ ท, ที่เกิดเราเกิดมาในการที่ได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหมันมันมันเป็นบุญเก่าทีนี้บุญเก่านั้นน่ะให้คุณตนเองมาอย่างมากมายใช่ไหมให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้สิ่งของต่างๆ ถ้าไม่มีบุญเนะี่ยสิ่งของเหล่านี้มีอยู่กับเราไม่ได้เรา อ, อยู่ได้แป๊บเดียวหายหมดเดี๋ยวพวกลากพวกขโมยเดิ น, นไฟไหม้น้าท่วมไม่หมดแล้วเดี๋ยวมีบัตรต่างๆอันนี้แสดงว่า บ, บุญเก่าตามรักษาด้วยต้องตอบแทนไหมถ้าเรามีกระตันอยู่ถ้าเรามีกระตาเวทีเนะถ้าเรารู้บุญนะรู้บุรู้คุณของบุญนะรู้คุณของบุญแล้วก็ตอบแทนบุญนะั้นนะตอบแทนบุญนะ้น แต่ถ้าหากว่าคนบางคนเนี่ยบอกไม่ได้คิดข้อ น, นี้เลยเนี่ยเสียหายเลยเลยไม่ตอบแทนบุญที่ที่ตนเองได้อัตภาพอย่างนี้มาอันนี้ก็ประพฤติเสียหายก็ประมาทมัวเมาเวินนี้เป็นนี้นี่เขาเรียกคนไม่มีคนประเภทนี้ยังหายากเลยใช่ไหมหายากในโลกเลยเนะี่ยไม่ใช่หายากประมาดาหายากที่สุดในโลกเพราะว่าคนที่จะคิด มุมนี้เราก็จะจะเข้าใจคําสอนอย่างนี้แล้วก็จะปฏิบัติเพื่อตอบแทนบุญกุศลคนตันเองอันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในนี้อยู่ที่ไหนพูดขึ้นเองไหมผมไม่ใช่อยู่ในมงคลใช่ไหมอยู่ในมงคลสามสิบแปะนั้นถ้ากประพฤติอย่างนี้เป็นมงคลด้วยแต่ถ้าทําให้ประพฤติเป็นอะไรเป็นอัปมงคลถ้าประพฤติเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วย ฉะนั้นคําว่ากตันอยูกัตเวทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเพียงแค่ไปตอบแทนคนนั้นคนนีน้ไม่ใช่แกนั้นะโดยสาระของของการตอบแทนจริงๆต้องตอบแทนบุญกุศลโอ้ถ้าเราไม่มีบุญกุศลเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษนย์นะและถ้าเราไม่ได้มีบุญดีเนี่ยนาตาบุญไม่ตามรักษาจริงๆเนี่ยวิบัติตั้งแต่เล็กนะ แล้วใครนึกอย่างนี้ก็แล้วกันบอกว่ากาลลังกาลลังพัตมะโธติกาละลาโธติอพุธังเป็นกาละล้น้ำใสๆเนี่ยตายในมัจจุราชดึงออกไปในขณะนั้นก็ได้อุปาค่าตกรรมตัดรอนในขณะนั้นก็ได้หรือเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยอ้าอุปค่าตกรรมตัดรอนในขณะเป็นชิ้นเนื้อก็ก็จะเป็นจากชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วออกมาเป็นปุ่มห้าปุ่มเนี่ยเล็กๆเนี่ยตายในขณะนั้นก็ได้ ออกมาเป็นตาหูจมูกเล่นกลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยตายในขนาดนั้นก็ได้สองวันสามวันตาย4ี่วันห้าวันตาจนถึงอาทิตย์เป็นถึงเดือนเป็นงปีก็แสดงว่าบุญเก่าเนี่ยนะตัวอุปธรรมพวกกรรมต้องดีตามหล่อเลี้ยงมาจนถึงขนาดเนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องตอบแทนบุญด้วยเขาบอกว่าโดยเฉพาะว่าเออเราเราละลึกถึงคุณของท่านเหล่านั้นทีนี้ต่อมาก็ต้องระลึกตเติดไปวระลึกถึงบุญกุศล เมื่อระลึกถึงบุญกุศลเราก็ตอบแทนบุญกุศลฉะนั้นคนที่รู้คุณของคนนั้นหาได้ยากยิ่งคนที่รู้คุณของคนแล้วลงมือตอบแทนคุณจะเป็นด้วยการให้ข้าวของบูชาคุณหรือด้วยกิจการงานต่างๆดูแลรักษายามเจ็บไข้เป็นต้นเนี่ยก็หาได้ยากในเรื่องนี้เนี่ยเขายกเรื่องท่านภาษารบุตรขึ้นมาแสดงภาษารีบุตรนั้นน่ะ น, นะ ท่านเคยไปบินทบาทได้ข้าวหนึ่งทัพีจากราทาพรามณ์ที่กรุงราชเคลือดีนะต่อมาเนี่ยเมื่อตอนอายุมากราทาพราหมณ์เนี่ยก็เข้ามาบวชเข้ามาบวชต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่บวชให้เพราะเห็นว่าเป็นคนแก่ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามว่าใครรู้จักพราหมณ์ผู้นี้บ้างท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลว่ารู้จักพราหมณ์ผู้นี้เคยถวายข้าวหนึ่งทัพีแก่ท่าน ถ้าผู้มีพระเจ้าทรงสรรเสริญท่านภาษาริบุตรว่าเป็นผู้มีความกระตันอยู่รู้คุณแม้ได้ข้าวเพียงหนึ่งทับพีก็ไม่ลืมก็อนุญาตให้ท่านภาษาลิบุตรเนี่ยให้การบรระชาอุปสมบทแก่ราธาภามด้วยยติจจตุธกรรมวาจาเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ว่า ง, ง่ายในถ้อยคำตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมในไม่ช้าก็สาเร็จเป็นพระราอันนี้ตัวอย่างนะ ราธพามกับท่านภาษาลิบุตรนี้เป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยข้างพุทธกาลฉะนั้นถ้าหากเรามองเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าภาษาริบุตรนี่ยอดเยี่ยมมากเออถ้ามานึกถึงอย่างนั้นเองเนี่ยใครเคยใส่เข้าวมาบ้างเนี่ยจันจำไม่ได้หมดนะอันนี้มองเห็นเลยว่าสติไม่ค่อยดีนี่นี่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้เรื่องการฟังธรรมเนี่ยเขายกตัวอย่างอย่างนี้เขายกอุบาสกอุบาสกนี่ อุบาสกห้าคนไปฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าในอุบาสกคนที่หนึ่งนั่งฟังธรรมแล้วก็หลับนเนี่ยเขายกตัวอย่างคนที่สองฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็เอาเอามือคุยดินเล่นฟังไปก็เขียนเขียนดินไปเลยอุบาสกคนที่สานั่งฟังธรรมพลางก็เหงีนเงีนเงีนตัวอากาศมองบนฟองฟ้า คนที่สี่ฟังทำไปพรางก็ใช้มือเขย่าต้นไม้ใบพรางนี่นะมันสมัยก่อนมีต้นไม้ด้วยนะก็เลยเขย่าต้นไม้เล่นคนที่ห้าก็ฟังโดยความเคารพทีนี้พอพอระบรมา ศ, าศาสดาเทศนาจบอุบาสก ค, คนที่ห้ามีคนเดียวได้บรรลุ <S <S เป็นพระโสดาบันทีนี้เป็นพระริยบุคคลในพุทธศาสนาแต่อุบาสกทั้ง4คนไม่ได้อะไรนี่นะท่านพระอนตน์จึงกราบทูลพระผู้มีพาคเจ้าบ อ, อ, อกว่า อุบาสกทั้งหคนฟังทำด้วยอาการต่างๆกันเป็นเพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าคนทั้งห้าคนนั้นสร้างอุปนิสัยมาต่างกันคือคนที่หนึ่งเนี่ยฟังทำแล้วหลับเพราะมีนิสัยติดมาหลายชาติเป็นอะไรมาหรือไม่ติดเป็นนาคไ อ, อ น, นาคเนี่ยนาคเนี่ชอบหลับเขาบอกว่าเคยเกิดเป็นนาคมาเนี่ยห้าห้าอยชาติฉะนั้นพอฟังพอกินอะไรอิ่มหน่อยก็ก็หลับแล้วพญานาะค คนบางคนฟังธรรมะนี่ชอบหลับจริงๆนะเมื่ววอวานเขาบอกว่าพอฟังแล้วมันเย็นๆยัยงไงเชอาก้นกะูแล้พอฟังแล้วหลับดีอย่างเงี้ฟังแล้วหลับแต่แต่ก็ยังดีก็ไปทําชั่วเนี่นคนที่สองฟังธรรมแล้วชอบเอามือคุยดินนั้นน่ะท่านบอกว่าเคยเกิดเป็นไส้เดือนแล้วก็ยินดีอยู่ในพื้นแผ่นดินอยู่ห้าร้อยชาติความยินดีในแผ่นดินเป็นนิสัยติดมาตั้งชาตินี้วันเวลาฟังธรรมก็จะเอามือคุยดินเล่นเป็นต้นเนี่ย คนที่สามฟังทำไปด้วยแล้วก็เง็นดูอากาศไปด้วยเนี่ยอันนี้หมายความว่ากลุ่มนี้คือเป็นอะไรหรือไหมเคยเป็นโหรโหรนี่เขาจะดูท้องฟ้าดูดวงดาวใช่ไหม <c oughs> เคยทำนายมาจะเป็นอุปนิสัยนั้นเวลาฟังไปก็เง็นดู <c oughs> คนที่สี่ฟังทำไปด้วยก็ขย่าต้นไม้ไปด้วยนี่เป็นลิงเป็นลิงอยู่ไม่สุกเขยา่า ส่วนคนที่ห้าฟังธรรมไปโดยความเคารพเพราะชาติก่อนเคยเกิดเป็นพราหมณเล่าเรียนไตเพลิดมันท่องบนสาธยายโดยความเคารพติดต่อมหาห้ายชาติฉะนั้นมาชาตินี้พอฟังธรรมแล้วก็เกิดความเคารพเรื่อมใสแล้วก็พิจารณามีโยนิสมนัิการเกิดปัญญารู้แจ้งแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากิจฉังสัตธรรมมสวนางการฟังพระสัตธรรมเป็นของยาก ที่ว่ายากนั้นก็ได้เหตุสองประการคือผู้แสดงได้ฟังก็หาได้ยากและผู้ที่ฟังก็หาได้ยากเป็นต้นเหล่า น, นี้แล้วก็ยกในเรื่องตรงนี้มากล่าวทีนี้พอมาดูการฟังธรรมของอุบาสกทั้ง5้าเนี่ยที่ฟังธรรมโดยการต่างๆกันนั้นน่ยคนสุดท้ายที่ฟังธรรมโดยเคารพแล้วได้ดวงตายเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพื่อจะได้พูดถึงการฟังธรรมโดยเคารพหรือการเคารพในว่าธรรมเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย พระองค์ก็เคารพในธรรมนะคือเมื่อตอนที่พระองค์ตัดสรู้ใหม่ๆนะั้นนะพระองค์พิจารณาว่าพระองค์จะเคารพผู้ใดดีพิจารณาอย่างนี้นะก็ไม่ทรงเห็นบุคคลใดที่มีคุณธรรมยิ่งกว่าพระองค์หรือจะเทียบเท่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยพระองค์จึงทรงเคารพพระธรรมและเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปยังโอปทานสาราท่านพระนันทากะนี่นะกำลังแสดงธรรมอยู่ มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมคือท่านพระนันทกะนี่นะแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้าก็ไปยืนบังเสาฟังจนจบเนี่ยนะเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างเนี้ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของธรรมยังเคารพธรรมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ครับพูดถึงเรื่องการเคารพธรรมเนี่ยพูดถึงอุบาสิกาเนี่ยมารดาของพระโสนนะกุติกันนะ คำว่พระโสนะกุติกันนะเนี่ยท่านเป็นผู้มีความเพียรมากอุบาสิกาผู้นี้ท่านตั้งใจฟังธรรมคือลูกชายไปแสดงธรรมให้ฟังด้วยความเคารพรเนี่ยนยที่นางทาสีมาบอกสามครั้งคือในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั่นนะไอ้โจรก็ขึ้นบ้านคนใช้ก็มาบอกบอกว่าโจรขนทรัพย์ในเรือนกำลังขนทรัพย์นางก็นั่งเฉยไม่สนใจเลย โอ้ oh. อันนี้เป็นเรื่องนาคิดเนะี่ยเมื่อบอกอย่างเงี้ยสามครั้งนะยองพิษจนครั้งสุดท้ายบอกว่ามันขนไปหมดแล้วก็ยังนั่งวังธรรมะเฉยอยู่อย่างพวกเราสมมติมีการอุตการการมาก็สิบบอกบอกเขาขนของบนบ้านไปจะหมดแล้วต่างกันเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใจในการมุ่งมั่นในการนี้จะฟังทำอันนี้ชี้ใหเห็นว่าที่ไม่ได้บรรลุเนี่ยเราเริ่มเห็นเหตุหแล้วเริ่มเห็นเหตุหแล้วใช่ไหมว่า ความตั้งใจมันน้อย น, น่นเองความตั้งใจน้อยอันนั้นบอกว่าโจรขนทรัพย์ในเดือนไปจนหมดแล้วอุบาสิกาท่านยังดุนางทาศีอีกว่าท่านจะฟังถามก็กลับไปโจรอยากได้อะไรก็ให้เขาขนออาไปตามชอบใจเราจะหาคนอย่างนี้ได้สักกี่คนใช่ไหมถ้ามาพิจยันานอย่างี้บอกบอกก็รีบไปเราจะป้งองตองพ่เราบอกว่าถ้ามีครถ้ามีใครมาบอกอย่างเราท่านทั้งหลายบอก มีใครขนทรยบไปเลยแล้วขนหมดบ้านแล้วนี่แค่นั้นนะโอ้แทบไม่ต้องลากันเลยทียนี้ลกพวดไปเลยเอะไรไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สั่งเสียไหมพระสโสนะกติกกนนะนั้นท่านเป็นผู้เลิศในการที่พูดพูดเพราะแล้วก็ท่านเป็นเอตทักคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องการพูดท่านคงจะแสดงธรรมได้ไพเราะด้วย ฉะนั้นมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นแม่ก็ไม่เบื่อเรื่องราวของมหาหน่าสนใจก็คือว่าเนี่ยในในคำสอนที่ท่านบอกไว้ทีนี้ในสมัยที่ท่านพระกัจจายานะอาศัยอยู่ที่กุ ร, รารคนครนเนี่ยนะในวันตีชนบทที่ภูเขาประวัติท่านพระกัจจายนะเนี่ยท่านเป็นพระเถระได้รับการยกย่องจากพระบรมศ า, ศาสดาเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายในการอธิบายทําให้พิสดาร คัมภีร์ที่ท่านพระมะกัจเจียนะเขียนขึ้นเนี่ยนะก็คือคัมภีร์เนติบกกรถ้าใครจะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะต้องอ่านคำภีนี้คำพีเนติบกรถ้าไม่อ่านคัมภี์เนติบกรเนี่ยโอ้อ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่นีทน้ท่านท่านเก่งในทางาด้านอธิบายธรรมะให้พิศดารเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมของท่านเนะ่ยละเอียดพิศดาร น, น่าฟังที่นี้มีอยู่วันหนึ่งอุบาสกผู้หนึ่ง ที่ว่าโสนากุติกันนะเกิด